ทำความนอบน้อมน้อมที่ไหนน้อมที่กายน้อมที่วาจาน้อมที่ใจให้ใจอ่อนใจนอบน้อมเชื่อใน คุณของพระพุทธเจ้าให้ใจเชื่อว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเราพระพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระคุณอันประเสริฐพระคุณท้งสามประการพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณนั้นเป็นพระคุณนามของพระบรมศาสดาสมัยสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในพระหารุไทยของพระพุทธองค์ และเราก็นอ้อมเพราะคุณทั้งสามประการเข้ามาที่ใจของเราทำใจของเราให้มีความรู้รอบรู้รอบใจรู้รอบตัวคือรู้รอบใจไม่ใช่รู้ข้างเดียวข้างใดข้างหนึ่งรู้รอบ เรียกว่าความรู้รอบรู้ความรู้ไม่ให้รู้ไปข้างหน้าอย่างเดียวให้รู้ปัจจุบันรู้ข้างหลังรู้ข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวารวมเรียกว่ารู้รอบความรู้รู้รอบใจนั่พัพปัญญาคุณพระบริสุทธิคุ ณ, คณขณะนี้จิตใจของเรา ไม่ได้วิตกวิจาร์คิดปรุงไปในอากุศลธรรมไม่คิดปรุงไปแนด้วยความโกรคความโกรธความหลงด้วยทิฏฐิมานะความรู้ผิดเห็นผิดอันี้นี่จิตของเรา อยู่กลางๆงคือรู้อยู่กับความรู้ของเราเป็นความบริสุทธิ์จากอคุศล น, นี่คือน้อมอภพอคุณแห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์พระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ถึงพร้อมด้วยพระมหากรุณาดุดห่วงมหานบเป็นพระมหากรุณาที่บริสุทธิ์ไม่เคลือบแฝงอยู่ด้วยความโรคความโกรธความอยากความเห็นผิดใดๆทั้งสิ้นเป็นพระมหากรุณาที่บริสุทธิ์จริงๆเพื่อ ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติทั้งหลายที่พระองค์ได้ทุ่มเทเพระกำลังพระวรกายทรงแสดงธรรมแยกแยะสิ่งที่ยากให้เป็นของง่าย สิ่งที่ปิดให้เป็นของสิ่งที่เปิดขึ้นคือเปิดด้วยปัญญาใจปัญญาตาใจของเรานั่นเองนี่เป็นพรมหากรุณาทิคุณน้อมเข้ามาอยู่ที่ใจของเรานอบน้อมในคุณของพระธรรมพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนสภาวะแห่งความเป็นจริงสอนให้รู้ใจสอนให้รู้กายให้ความรู้นี่รู้ตัวเองไม่ให้รู้ออกไปข้ามนอกโดยทายเดียวนี่เป็นสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความจริงยางเรียกว่าพระคุณของพระธรรม ตัดกระแสแห่งความโรธโปรลงตัดกระแสแห่งอกุศลระธรรมทั้งหลายยังกุศลระธรรมให้เกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราคือความน้อมระลึกถึงน้อมถึง คุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่ใจของเราเป็นการนอกน้อมนะโมตัสสะความนอกน้อมเอาใจนี่แหละน้นะนอม น้อมใจน้อมกายกายก็ไม่แข็งกระด้างแต่งกายให้สงบน้อมด้วยปาจาแาระก็กล่าวสาธยายผ่านมาแล้วตอนนี้ไปก็เป็นการฟังธรรมะคือเหตุผล ที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจทำความเห็นให้ถูกต้องตามศัจธรรมตามความเป็นจริงนำมาปฏิบัติกายวา่าใจใจให้เป็นธรรมทั้งฟังทั้ง ร, รมไปพร้อมกันสติรู้ที่ใจ ปัญญารอบรู้ที่ใจจับเหตุแห่งธรรมทั้งหลายคือใจคือความรู้นี่แหละแล้วก็เจริญธรรมที่คุ้มคลองใจคือสติ สติความระลึกรูก้สัมปชัญญะความรู้ตัวระลึกรู้ที่ไหนระลึกรู้ที่ใจรู้ตัวที่ไหนก็รู้รอบใจนั่นอาการของสติระลึกเป็นขณะถ้าเป็นสัมปชัญญะจะรู้ทราบส่้นไปเลย รู้ที่กายที่ใจขณะนี้เรานั่งอยู่ด้วยความสงบทํากายเป็นทานลองรับธรรมะธรรมะจะสัมผัสได้ด้วยกายเกิดขึ้นที่กายของเราธรรมะที่เกิดขึ้นที่กายของเราก็จะเจ็บ ท, ทุกขวเวทนาความ สเสวยสิ่งที่ไม่สบายเป็นอารมณ์แห่งทุกความเจ็บความปวดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวก็จะเกิดขึ้นสัมผัสกายกับใจจีิงว่ากายกับเป็นฐานรองรับหรือเป็นที่ตั้งที่เกิดของธรรมะ ใจก็เป็นฐานรองรับคือความรู้รู้สิ่งที่เกิดที่ดับนี่ใจเป็นเหตุใจเป็นประธานเป็นรวมบ่ธรรมะคือกายกับใจ อยนี้ความสุขความทุกข์สัมผัสอยู่ระหว่างกายกับใจในจึงทรรมปัญญาให้รู้กำหนดสติสัมปชัญญะควบคุมใจรู้อยู่ในกายปัจจุบัน หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหายใจน่แหละเป็นส่วนของกายเป็นกายละเอียดเพราะั้นสติะระลึกรู้กับใจสัมผัสกับกายลมหายใจเขา้ารู้หายใจออกรู้นี่เป็นการรวมเหตุรวมปัจจัย รวมรากเง่าเข้ามูลของธรรมทั้งหลายเข้ามารู้ในปัจจุบันคือรูปกายรู้ใจในปัจจุบันเรื่องอดีตสิ่งที่ผ่านไปแล้วเรี่ยกว่าเป็นอดีตสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเป็นอนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอาจารยการ ปฏิบัติธรรมในปฏิบัติในปัจจุบันศึกษาในปัจจุบันที่เราศึกษาธรรมะให้พึงรู้พึงเข้าใจว่าธรรมะคือกายกับใจทั้งที่กล่าวมาแล้วปัญหาทั้งหลายสุขก็ดีทุกข์ก็ดี เกิดขึ้นสัมผัสกายกับใจนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติจึงต้องฟังปฏิบัติ ด, ด้วยการฟังปฏิบัติ ด, ด้วยการกำหนดคือฟังแล้วก็ใครควรโ เป็นภาชนะเป็นอุปกรณ์สำหรับรับเสียงสัมผัสเสียงผู้ที่ลู่เรื่องราวคือใจใจ่าลู่ความเกิดความดับความแปรปวนความเปลี่ยนแปลงอของสภาวะธรรมที่เป็นสมมติเป็นบัญญัติ ในรูปมี ใ, ใจเป็นผู้รูปในเมื่อใจเป็นสิ่งสำคัญเป็นที่เกิดของธรรมที่ธรรมก็เกิดขึ้นที่ใจใจึงต้องมาศึกษาอบรมใจแล้วก็อบรมสิ่งที่ เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้ความเห็นตามเป็นจริงที่เรียกว่าปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นตามเป็นจริงการปฏิบัติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมหรือการศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติต่อธรรมะ น้อมนำธรรมะเข้ามาปฏิบัติพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงหนทางทางดำเนินในการปฏิบัติธรรมอันนี้ว่ามักแปดมักมีองแปดคคำว่ามักมีองแปด อันนั้นเป็นอาการสมมาทิทิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาสีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมมาทิอาการแปดอย่างตัวธรรมแท้อยู่ที่กายกับใจสมมาทิทิ ปัญญาเห็นชอบความเห็นที่ชอบเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงก็คือใจเป็นผู้เห็นหรืออาการที่เห็นอยู่กับใจอาการที่ดำริก็ อ, อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นแปดอย่างท่านจึงรวมลงมาว่า จะ ต, ต้องควรศึกษาเรียกว่าสิกขาสิกขาสามจมาศึกษาอยู่ที่สามอย่างนี้สามอย่างได้แก่อะไรสามอย่างก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็กายวิจา ใจใจเป็นปัญญาใจเป็นสมาธิกายวาจาเป็นศีลเป็นปกติกายกายวิาจาเป็นสมาธิเป็นความตั้งมั่นในในความดีของกาย ในความดีของวาจาความไม่มีโทษของกายความไม่มีโทษของวาจาแล้วก็รวมเข้าไปสู่ใจว่าศีลก็ากายวาจาใจสมาธิก็ากายวาจาใจปัญญา กลายวายจาใจใจได้รวมอยู่ในอันเดียวจากสามรวมลงรวมลงกายกับใจรวมกายกับใจลงไปเป็นใจปัญญาแ่มแจ้งที่จะรู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา วองเกิดขึ้นตั้งอยู่และแร่พัวไปอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความเห็นเป็นเรื่องของใจทัศนะความเห็นปัญญารู้แจ้งนี่จะว่ารวมลงที่ใจ แยกศีล ส, สมาธิปัญญาศีลก็คือสตินั่นแหละเอาเข้ามาตรงนี้ปฏิบัติธรรมถ้าขาดสติแล้วก็ใจเลื่อนลอยความรู้นี่ก็เลื่อนลอยไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นหนึ่งไม่รวมเป็นหนึ่งได้สติ เป็นธรรมที่มีอุปการะคือคุ้มครองธรรมส่วนอื่นหรือว่าเป็นฐานเป็นเหตุที่จะให้เกิดสมาธิและปัญญาธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาหรือศีลหรือสติสมาธิปัญญา รวมเข้ามาใกลๆ้ๆเรียกว่าเป็นสิ่งที่นี่อยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกเหนือไปจากกายกับใจเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องการปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติที่กายที่ใจกายเป็นฐาน รองรับใจเป็นที่อยู่ของใจใจเป็นฐานรองรับปัญญารองรับสมาธิถิงว่าใจเป็นสมาธิใจตั้งมั่นใจสงบใจไม่วุ่นวายส่ายแสมันก็เป็นความสุข ใจวุ่นวายใสแสคิดปุ่งฟุ่งตกเป็นธาตุของความนึกความคิดตกเป็นธาตุของความอยากความอยากนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนของใจ ความอยากก็เกิดขึ้นที่ใจมีใจเป็นที่เกิดแต่เมื่อความอยากดับลงจากใจไม่มีที่ใจแล้ใจก็ยังอยู่แต่ความอยากนี่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแต่ถ้ามาเกิดขึ้นที่ใจแล้วทำให้ใจนี่กระทบกระทั่ง เรียว่าเศร้ามองหดหห ก, กระวนกรวายเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะความอยากทนเรียกว่าตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคำว่าตัณหาตัณ ห, หาก็ได้แก่ความอยากอาการแห่งความอยาก ความอยากเมื่อเกิดขึ้นที่อื่นเมื่อเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่ใจมีใจเป็นผู้รู้เมื่อเกิดขึ้นที่ใจเราก็เกิดความกระวนกระวายเกิดความกระเพื่อมที่ใจแต่ไม่ใช่ใจคำว่าใจคือธรรมชาติรู้รูนั่นไม่อยาก นั่นแหะผู้รู้ถ้ารู้ไม่อยากแต่อาการแห่งความอยากมันเป็นเหมือนลมเป็นเหมือนลมเป็นเหมือนลมพายุเกิดขึ้นเป็นครั่งเป็นข่าวบางครั่งบางค่าวก็ต่อเนื่องกันยาวลมพายุพัดอยู่สองวันสามวันจึงสงบบาง บางครั้งบางคราวก็เป็นลมนิดๆหน่นยนอยๆก็ยังทำให้กระทบกระเทื อ, น, อนนี่ก็เหมือนกันแต่ความอย่างนี่ก็เป็นธรรมเป็นธรรมะแต่เป็นธรรมฝ่ายเลวถ้าหากว่าอยากไปในทางที่เป็นอกุศล ก็เรียกว่าเป็นธรรมเลวถ้าอยากไปในทางที่เป็นกุศลไปในทางความดีก็เป็นธรรมเป็นมรรคเครื่องหนุนที่จะให้เกิดธรรมไยละเอียดที่เรียกว่าปณิธาธรรมให้เจริญขึ้นให้ปัญญาเจริญแก่กล้าปัญญาในองค์มครรคให้สติ แก่กล้าก็อาศัยความอยากเหมือนกันถ้าไม่มีความอยากนก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าอยู่เฉยๆเล้วก็ไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นีว่าความอยากนี่แหละถ้าอยากไปฝ่ายอากุศลทานเรียกว่าเป็นหินธรรมหินหินนาธรรมมา ทมที่ดำคำ่ำทมที่เป็นอกุศลปณิตธรรมมาทมที่กลางๆแอมชิมะธรรมทำ ท, ที่กลา ง, ลางปณิตธรรมทำละเอียดคือปัญญาเครื่องรูปเครื่องถอดถอนความรุ่มหลงที่ยังปกคุมอยู่ในจิตใจเป็นเป็นธรรมฝ่ายละเอียด นี่เมื่อสรุปรวมลงแยกแยะอาการของธรำตามสมมติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้่ที่นี่รวมรวมเข้ามาใกล้ๆก็ใจคือความรู้ลูผู้รู้ ล, ลูนี่แหละมาฝึกใจของเราให้เป็นพุทธโทธพุทธโทธ เพราะฉันจึงต้องเอาคำว่าพุโทโธพุธโทโธเป็นเครื่องรู้เครื่องะระลึกให้ใจนี่รู้ให้ใจนี่ตื่นทำความเบิกบานยิ่มแย้มแจ่มใสต่อสภาวะธรรมแห่งความจริงเบิกบานต่ออนิจจังเบิกบานต่อทุกขขังเบิกบานต่ออนัตตา ทำทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอาการส่วนย่อยส่วนใหญ่รวมลงในคำว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาท่านจึงว่าเป็นลักษณะที่จะให้พิจารณาให้เข้าใจในความเป็นจริงจิตใจของเราเมื่อเราปกป้องหรือเรา ฝึกฝนอบรมให้เกิดความรู้ตัวเกิดความเห็นตัวเห็นตนคำว่าเห็นตัวเห็นตนก็คือเห็นกายเห็นใจรู้กายรู้ใจรู้เรื่องของร่างกายของเราเนี่ยที่เราว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นรูประทำ ก็รู้เรื่องของใจว่ามันมาอย่างไรกายนี่มันมาอย่างไรมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรแล้วใจเนี่ยมาอาศัยกาย ม, มาอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้จึงมาสัมผัสสัมพันธ์กันแล้จึงเป็นพาหะที่นำความทุกข์ ทำความทุกข์ความยากความทุกข์ความเหนือร้อนวุ่นวายนับตั้งแต่ชีวิตการเกิดขึ้นสัมปยุต์กันระหว่างกายกับใจมานี่จะเรื่องทุกข์ท่นนี้ว่าทุกข์ตั้งแต่เกิดคำว่าเกิดก็หมายเอาตรงที่จิตสัมปยุติจิตสัมปยุติลงสู่ พบคือการเกาะคำว่าเกิดก็เกาะเกาะยึดเนี่ยเมื่อใจนี่สัมพยุสกับกายก็ต้องเป็นภาระกันมีความทุกข์ตั้งแต่อยู่ในท้องของแม่นั่นแหละเสวยความทุกข์สัมผัสกายอยู่ในคันของแม่ เวลามารดากินของเห็ดของร้อนก็ทําให้เกิดความแสบความร้อนกระวนกระวายเป็นดินกระดุกกระดิบกินในท้องแม่แน่น่ะกายกับใจนี่แหละเป็นพาหณนะหรือเป็นเครื่องรองรับความทุกข์ท่นจึงว่าเกิดแล้วก็ทุกข์ ถ้าไม่เกิดไม่ทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งลองรับกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องมาฝึกป ฏ, ปฏิบัติธรรมะเนี่ยเพื่อระงับเพื่อระงับความทุกข์เพื่อความแยกทุกข์ออกจากกายออกจากใจ ให้เหลือแต่ความสุขล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนซึ่งเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าทียบพระบริสุทธิ์ที่คุณคือใจเนี่ยบริสุทธิ์จากอาสวะความโลภความโกรธความหลงอาศัยใจเกิดเกิดที่ใจแล้วก็ทำความล่อร้อนกระทบกระเทือนต่อใจ กายว่าอาศัยใจเป็นผู้หล่อเลี้ยงแต่ก็มีความกระทบกระทั่งต่อใจด้วยกายความกระทบกระทั่งต่อกายด้วยใจเนี่ยทั้งสองทั้งสองสมมตินี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่เพราะนั้นมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรม เพื่อลดละความทุกข์ลดละอกุศลละกรรมที่จะเกิดขึ้นทางกายวาจายใจในที่ต้องอาศัยกายกับใจมาสร้างกุศลสร้างความดีให้เกิด ด้วยสร้างจิตใจให้ลู้ให้ลู้จาักการเสียสละเพราะต้องศึกษาให้รู้ว่าใจมันมีอาการอย่างไรใจมันมีอาการรู้แต่ความโรคทีว่าความอยากเมื่อมันโรคมันอยากมันก็กระวนกระวายมันก็เป็นอาการของทุกข์ ก็สัมผัสกับใจนิจเท่านนั้นเป็นผู้รู้นิจเท่านนั้นเป็นผู้รู้โรคแต่เมื่อไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้เข้าใจก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นความโลภแต่มันหากเป็นความอยากเป็นความปารนาอยู่ในใจนั่นแหละมาได้ยินได้ฟังแล้วก็มารู้ว่าความอยากความปารนานเป็นความโลภ หรือความโลภน่แหละเป็นความอยากมันอยู่ด้วยกันมาศึกษารูปกายรูปใจแล้วก็มาเอากายเอาใจเอาวาจาเนี่ยปฏิบัติให้เป็นธรรมการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นก็มีความให้รู้จัก ผลประโยชน์ของความเสียสละเรียกว่าจาคะคือความเสียสละทานะคือการให้ให้แก่ตนเองให้แก่บุคคลอื่นเสียสละให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นก็รวมเรียกว่าเป็นธรรมะในการให้ให้อาภัย ให้อภัยถ้าไม่ให้อภัย <c oughs> กมมยาาาา็มีความผูกพยาบาทอาฆาตมีความผูกโกรธผูกโกรธผูกเกลียดมีความเปลียดชังไม่ให้อภัยก็ผูกไว้ข้องไว้ในจิตในใจถ้าให้อภัยสละ ่าไม่อาฆาตมาดร้ายไม่จองกําจองเวรให้อภัยที่ในการให้อภัยนี่แหละมันไม่ได้ให้ง่ายๆถ้ า, าหากว่าเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจแล้วมันจะเป็นพยาบาทจึงว่าทมคือพยาบาท เป็นทมฝ่ายเร็วเป็นทมฝ่ายทำให้เราร้อนทนี่มันจะละได้ก็ต้องละด้วยกุศลละธรรมก็คือการเจริญภาวนาการสร้างสติจเจริญสตินี่นเรียกว่าเจริญภาวนา ภาวนาทมสติให้ต่อเนื่องเจริญให้มากทำให้มากในสูตรสวดมนต์โพตรสังฆสูต ร, ตรที่เราได้สวดสาธยายไปโพตรสังโคสติสังาโตท่านพรลนาถึงคุณของสติ ธรร ม, มนังวิจโยตถะสตินั่นแหละพป้นฐานที่จะให้เกิดธรรมวิจยะความแจ่มแจ้งความสอดส่องความเฉลียวฉลาดแห่งปัญญาที่เกิดขึ้นในใจวิริยามปิติปัสธิจะให้เกิดความเพียรให้เกิดความสงบจากพยาบาทอาคาดจองเวณ ทำให้เยือกเย็นอย่าสงบจากข่าสึกคือกิเลสเป็นปัิสถ ร, รมยัง ป, ปีติให้เอิบอีิ่มยังความรู้ให้เข้าใจตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางนี่ท่านอธิบายท่านอธิบายท่านแสดง ไม่มาจากอื่นมาจากใจคือสติใจที่มีสตินั่นแหละเพราะฉะนั้นจเจริญให้มากสติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดขยับขยื่อนแม้ในหลักธรรมแห่งสติปัฏฐานสที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงคุณประโยชน์ ของสติเนี่ยมีความระลึกรู้ในฐานทั้งสี่รู้กายรู้ในเวทนารู้ในจิตรู้ในธรรมารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้ น, นตัวสติเนี่เป็นตัวระลึกรู้เป็นตัวจงใจเป็นตัวตั้งใจเพราะฉะนั้น จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้ฝึกให้มีสติความระลึกรู้มีสมโพชัญญาความรู้ตัวอันนี้เป็นฐานเป็นฐานของธรรมะชั้นละเอียดต่ อ, ตอไปี่ที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอนหรือที่พระพุทธเจ้า ท่านสอนในเบื้องตน้นคือให้มีจุดและลึกรูให้มีจุดกำหนดรูเหมือนอย่างเรากำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เดียวอะนาปานาสติสติกาหนดรูลมหายใจเข้ารูหายใจออกรู<ม>ก้อนนี้เหล๋เป็นหลักไม่มีอย่างอื่นที่จะให้ง่ายๆไปกว่านี้ วาปฏิบัติธรรมทําอย่างไรจึงจะง่ายๆมันไม่มีเรื่องง่ายๆมันเป็นมันเป็นเรื่องของอาสวะเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของความเห็นผิดเกิดขึ้นมาแล้วก็จะปกคุมความกิเเพราะฉะนั้นจึงหาทางง่ายง่ายม <c oughs> ีหนทางเดียวเท่านี้ทางง่ายๆจะว่าง่ายหรือจะว่ายากลง <c oughs> หนทางอันเอง คือพระพุทธเจ้าทรงประธานเีว่ามรรคแปดวันทางอันเอกคือมรรคแปดศีล ส, สมาธิปัญญาเรื่องฝึกสติเนี่ยอย่าทอดทุระถ้าทอดทุระก็ไม่ตั้งไม่กำหนดไม่ละลึกรู้มีแต่ปล่อยความรู้ไปตามความอยากอยากไปก็ไปไม่รู้ว่าไปมีเหตุมีผลอะไร อยากกินก็กินไม่รู้ว่ากินมีเหตุมีผลอย่างไรเพื่ออะไรอยากเดินก็เดินอยากนั่งก็นั่งอยากนอนก็นอนไม่รู้เหตุผลในการเดินเดินนั่งนอนเป็นไปเพื่ออะไรีท่านจึงให้มาฝึกให้มีสติมีความรู้กากับกับสติไปด้วยกันจะเดินอะไร จะนั่งอะไรท่านจะว่าให้รู้ยืนก็รู้เดินก็ร่รู้นั่งก็ร่รู้นอนก็ร่รู้รู้เหตุรู้ผลในการยืนเดินนั่งนอนนั่นเองนี่ก็เป็นสติรู้ในกายความเคลื่อนไหวไปมาของกายสติรู้ในจิตนึกคิดเรื่องอะไร เป็นผลอย่างไรมีเหตุอย่างไงมีผลอย่างไรสติและลึกรู้ในความนึกความคิดสติและลึกรู้ในความสุขความทุกข์เกิดขึ้น ท, ท่านเรียกว่าเวทนาสุขเกิดขึ้นก็รู้ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้อันนี้ว่าให้กําหนดรู้ความสุขความทุกข์ ใครเป็นผู้สุขใครเป็นผู้ทุกข์ที่ว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์ใจทุกข์กายสุขใจสุขกายในี่ให้มีสติมีปัญญารู้เหตุรู้ผลนี่มันเป็นสมาธิเป็นปัญญาคงคืนกันไปฝึกสมาธิฝึกปัญญา กลมืนกันไปอย่างนี้ใรู้ในอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์พอใจไม่พอใจเกิดขึ้นให้กําหนดรู้แล้วก็ทวนเข้าไปหาเหตุหาต้นเหตุคือใจมันรู้อยู่ที่ใจแล้วใครเป็นผู้ปรุงผู้แต่งตามความปรุงความแต่งก็เป็นสัญญาสังขาร สัญญาความจำได้ไม้รูปสำคาญความนึกความปรุงแต่งนมันทำงานอยู่ด้วยกันนี่ภาวนาเพื่อให้รูปเหตุรูปผลของสิ่งที่เกิดเกิดดับดับอยู่ในขันห้าที่ท่านรวมลงในขันห้าคือให้รูปขันห้าตามเป็นจริงรูปรูป ก็คือรูปรูปร่างกายรูเวทนาความสวยสุขสวยทุกข์รูปสัญญาความจำได้ไม้รู้รูสังขารความนึกคิดปรุงแต่งรูปวิญญาณความรับรู้รับทราบตามสัญญาสังขารนั่นแหละรับรู้ตามอายตนะตาหูจมูกดิน กายใจที่สัมผัสกัน <c oughs> นี่เป็นการปฏิบัติธรรมการภาวนาในเบื้องต้นที่เรากำหนดเพื่อสร้างความมั่นคงเนี่ยท่านจึงให้กำหนดรูเพ่งดูวันเดียวหายใจเข้าออรูหายใจออกรูนี่อย่างนี่แหละทําสติให้ระ ล, ลึกรูต่อเนื่องกัน เท่านั้นแหละเมื่อสติมันจดจ่อรละลึกต่อเนื่องกันมันก็เป็นความมั่นคงของใจเป็นความรู้ที่แนบแน่นอยู่ในสิ่งเดียวแล้วใจก็จะสบายเรียกว่าขาดจากอารมณ์อย่างอื่นเรียกว่าฝึกปฏิบัติให้จิตมีสมาธิ ส่วนความสำรวมไม่ให้ใจอกแวกสายแสไปตามอารมณ์ที่แทกเข้ามานั่นนั่นะท่านเดวศีลคือความมีสติสำรวมให้ถึงพร้อมนี่เป็นศีลในปัจจุบันเป็นศีลในจิตก็มามีสติสำรวมศีลในจิต ก็ออกไปเป็นศีลในกายศีลในวจาจาคือเมื่อจิตมีความสำรวมมีสติสำรวมจะพูดอะไรก็รู้เท่ารู้ทันสิ่งนี้พูดไปแล้วเป็นโทษก็ไม่พูดเนี่เเป็นศีลกายจะทำทําอาการอย่างนี้กิริยานี่มันเป็นโทษ ก็ไม่ทำเพราะถูกสติกับใจควบคุมกายแล้วสติกับใจควบคุมวาจาไว้แล้ววาจาก็เป็นศีลกายก็เป็นศีลไม่รู้อํานาจแห่งโทษ <c oughs> ประมวลเข้ามาก็เลยมาเป็นใจ ม, มีสติมีความสารวมเป็นศีลอยู่ที่ใจก็เป็นสมาธิความตั้งมั่นที่ใจ เมื่อสติต่อเนื่องกันไม่ขาดว่าขาดตอนสัญญาลมทั้งหลายก็จะขาดออกจากความรู้คือใจนี่ก็จะตั้งแน่วเป็นหนึ่งอยู่เฉพาะใจได้ฝึกให้มากทำให้มากเมื่อมีกำลังแล้วก็ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้ามันชำนาญแล้วมันก็ไม่ต้องฝึกการฝึกคําว่าฝึกฝึกก็เป็นเรื่องเรื่องต้นเมื่อฝึกให้ชํนานิชานาญทําให้มากจเจริญให้มากกําหนดอย่างนี้แหละให้มากมาเกิดเป็นความชํนานิชํานาญทั้งเียาว่าสมาธิคือความมั่นคงของใจตั้งมั่นของใจ เมื่อสมาธิมีกำลังการน้อมพินิจพิจะะนารณาก็จะรู้ละเอียดเข้าหายสงสัยได้เร็วไม่ลูปลูบคำคำเส่นว่าเหตุอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสติที่ชำนาญกำหนดรู้สมาธิ ใจที่มีสมาธิไม่ล้วนเล่ก็จะรู้เรื่องปัญหานั้นๆได้เร็วปัญญาเพราะปัญญามีความละเอียดนี่มันกลมกลืนกันระหว่างมรรคทั้งสามคือสติสมาธิและปัญญานี่แหละจะเป็นอาวุธเป็นเครื่องขัดสี สนิมนิอของสุขปกธรงทที่สุขปกที่เข้ามาทิ่มแทงในจิตใจที่เรียวว่าตัณหาว่าตัณหามีสองอยา่างตัณหาความอยากในธรรมในทางเป็นกุศ ล, ลธรรมอยากทําความดีอยากาเว้นจากสิ่งที่เป็นโทษทางกายทางวาจานี่เป็นปัญหาที่ดี อยากตั้งสติคำนดรู้ใจให้มันต่อเนื่องมีเป็นตัญหาที่ดีถ้าตัญหาที่ไม่ดีมิต่อยากให้เป็นอย่างนั่นอยากเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ความอยากอันนั้นเป็นปัญหาทางให้เกิดทุกข์ปัญหาที่ให้จะให้เกิดความสุขให้เกิดความเป็นธรรม ต้องอยากทำอยากลงมือกระทำแล้วก็กระทำปฏิบัติท่านจึงว่าปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปริยัติศึกษาให้เข้าใจแล้วปฏิบัติลงมือทำผลจากการปฏิบัติเมื่อทำสติให้ต่อเนื่องกันกับใจไม่ให้ขาดวักขาดตอ น, นันใจจะสงบใจจะเบาใจจะสบาย ก็จะรู้เองเันเรียกว่าปฏิเวทธรรมสงบจากค่าศึกคือกิเลสเครื่องโลเลในจิตใจละเอียดเข้าไปจนความรู้ความเห็นแก้มแจ้งเรียกว่าปัญญามีปันสนาคือการเจริญปัญญาแยกแยะ พิจารณาในรูปในกายพิจารณาในเวทนาในสัญญาสังขารในวิญญาณความรับรู้รับทราบเข้าใจตามเป็นจริงมันก็หมดความสงสัยที่ใจใจไม่ฟุ้งซ่านใจไม่รวมลวนเลก็เหลือแต่ทิฏฐิธรรมคือความรู้ที่เป็นธรรมธรรมชาติรู้ ึงแมมันยังอาศัยสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่กับกายกับเวทนาสัญญาสังขารในขันธ์ห้าเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่หลงก็เพราะมันไม่หลงมันจึงไม่ยึดมันจึงไม่คิดมันจึงไม่ปรุงมันจึงไม่คิดผิดมันจึงไม่เห็นผิดมันจึงไม่เป็นสัญญาอารมณ์ที่ผิดให้กระทบกระทั่ง สิ่งได้เกิดขึ้นรูปความจริงก็ตกไปสิ่งได้เกิดขึ้นสัญญาจำในสิ่งไหนมันก็เข้าใจความจริงแหละมันก็ตกไปสังขารปรุงแต่งเรื่องอะไรเข้าใจมันก็ตกไปนี่ไม่ไม่กลับมาเป็นข้าศึกต่อใจเพราะไม่มีความหลงเพราะมีความรู้แก้งเข้าใจในสภาวะ ให้ขันห่านเรื่องของกายของใจตามเป็นจริงคือรูปกายภายกายภายในของเราเข้าใจกายภายนอกกายของผู้อื่นสัตว์อื่นเข้าใจเรื่องของใจภายในใจของเราเข้าใจเรื่องใจของผู้อื่นสัตว์อื่นบุคคลอื่นด้วยในเชิงว่ามันมันสิ้นสงสัยมันสิ้นเชื่อที่ให้เกิดทุกข์ เพราะรู้ในสมมุติตามเป็นจริงด้วยธรรมะที่เกิดที่มีขึ้นภายใน จ, ใจิตใจจากการประพฤติปฏิบัตินี่เาะาะนั้นมีหนทางอันเดียวคือการเจริญสติสมาธิและปัญญา นี่เป็นธรรมคุ้มครองใจเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งของใจที่รู้รูนทำให้ทุกข์ทั้งหลายสงบระงับไปทำให้ปัญหาของใจสิ้นสุดลงได้ด้วยสติสมาธิและปัญญา ถ้าส่งออกไปตามความอยากภายนอกมันก็หลงหลงธรรมะไปเลยหลงธรรมหลงสติเพราะสติที่เป็นมิจฉาก็มีถ้าออกนอกไปจากการที่จะมารู้ความจริงตามเป็นจริงในสภาวะธรรมแหะไปตามความอยากเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเป็น มิซาทิธิเห็นผิดไปไม่เป็นปัญญาณเห็นชอบเมื่อเข้าสู่ร่องรอยหรือเส้นทางแห่งความเป็นแห่งความจริงตามเป็นจริงในองค์อริยมรรคคือข้อปฏิบัติที่จะให้รู้จริงเห็นจริงตามเป็นจริงได้แก่ศีล ส, สมาธิและปัญญา ที่จะให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงถ้าออกนอกเนื้อนี่ไปก็เป็นมิจฉามิจฉาทิฏฐิมิจฉ า, าสมาธิมิจฉาสติเป็นความผิดไปหมดมันเป็นความผิด ก็ไม่เจอไม่เจอความสิ้นทุกข์หมดทุกขไม่เจอความดับทุกข์ภายในจิตใจให้ทำความเข้าใจใช้ปัญญาพิจารณาตามที่กล่าวมาแล้วการปฏิบัติที่แท้จริงก็รวม เ้าสู่ใจต่อไปทำความสงบธรรมปีติ สุขังเสติผู้อิ่มในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขจะให้มีความสุขแท้จริงคือความอิ่มในธรรมอิ่มในศ <c oughs> ีลในสมาธิในปัญญาอิ่มในความสงบของใจ ก็อยู่เป็นสุขนี่จึงต้องสนใจหรือว่าเอาใจใส่ในการฝึ ก, กจิตฝึกใจให้เข้าถึงธรรมะคือสติสมาธิและปัญญา เนีต่อแต่นั่นไปพวกเราก็จะอยู่เป็นสุขสุขทั้งกายสบายทั้งใจสุขทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าการอธิบายธรรมะเห็นว่าสมควรแก่กาละเวลาโดยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ บุญคุศลคุณงามความดีจงรวมเป็นตปะเดชาุภาพอันยิ่งใหญ่สนับสนุนให้พวกเราทันทั้งหลายจงได้ประสบพบความสุขในธรรมอันยิ่งและ มีความสุขกายสบายใจอยู่ในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อยงทุกท่านทุกคนเธอโอ้เห็นบ่เห็นทุกบ่เห็นทำบ่ เห็นธรรมคือเห็นความทุกข์มาเนี่ยมีอะไรดอกเป็นธรรมทุกขาริยสัตวทุกขะสมุทัยโยทุกขานิโรธทุกขะมขะปฏิปทาอริยสัจธรรมทั้งสี่ถ้าใครเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรม นั่งมันนานบรทุกที่แรกมันอยากจะบวชนะคุณแม่เพราะบวชนานมันก็ทุกอยู่ล่ะอทุกเพราะทุกเพราะเอาศีลเอาธรรมข้อไว้กิเลสมันทุกมันย่นเพราะมันสู้เอาจนให้มันตายให้ทุกมันตายออให้ทุกมันตายหมดให้มันได้แต่สุขอย่าไปหลงตามมันได้ กี่นาทีทำวัดเสร็จก็ทุ่ม45อันนี้มันเท่าไหร่เลยมองไม่ค่อยเห็นเข็นมนาฬิกาฮะกี่กี่นาทีเมื่อกี้ถึงสมองไหมไม่สมองอยู่บ่ ท่างพูดธรรมะท่างพานั่งสงบนั่งสงบแป๊บเดียวการพานั่งสงบล่ะมันจะเห็นทุกข์มากถ้าพูดไปจิตของเรามันยังส่งไปตามเสียงเหูอแต่พอเอ้าเงียบเข้าสู่ความสงบอะไรที่มันลุกลรี่ลุกลนเน <c oughs> วันนั่นหลวงปู่มาท่านท่านบอกว่าโอ้ยย่ามีแต่ลมและหลายเถอะให้มันมีฝนบ้าง นี่มนท่านเทศวันคร บ, อบรอบหลวงปู่บุจันทร์ท่านพูดไปแป๊บหนึ่งท่านก็พานั่งสมาธิสัปโมงหนึ่งโอ้ยบางคนนี่ไม่ได้ถึงสิบนาทีบันลังแตกเลยบันลังสมาธิแตกอ่ะอนะระลงธรรมะ ตอนที่หลวงตาเข้าวัดใหม่หมอยู่กับหลวงปู่ตอนเป็นบวชเป็นภ่าขาวน้อยที่พราขาวก็ถือสินแปดสินแปดสมทานสิขาบวชแปดประการที่สามเณรก็ถือสินสิบ เดี๋ยวสมมาธานงดเว้นสิขาบทสิประการพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านก็สมมาธานสิขาเดี๋ยวว่าสองยี่สิบเ็ดที่เวลาเข้าพรรษาท่านจะให้ตั้งสัจจะอธิษฐานสามเดือนเนี่ยคือปฏิบัติจริงสามเดือนพอถึงวันใกล้จะเข้าพรรษาก็มีบัญชีมา เอาองค์ไหนจะตั้งสัจจะอะไรบ้างปฏิบัติให้เข้มข้นในภรษาบางองค์ท่านก็เอ า, เอาสมาทานทุดงและหลายข้อมีการฉันอาหารเอาลงในภาชนะเดียวหมดทั้งหวานทั้งข้าว ไม่มีภาสนะสองบงองค์ก็สมาทาน อ, อ, อยู่โคนไม้นะมีนะบางองค์ท่านท่านสมาทานไม่อยู่กุฏิอยู่โคนอยู่ลบไม้ก็มีในส่วนเรื่องธุดงในส่วนเรื่องข้อปฏิบัติท่านจะสมาทาน จะเดินจงกลมเช้าเย็นเดินภาวนาไม่ขาดรอยพระสวดมนต์ไม่ให้ขาดตอนเช้าตอนเย็นท่านก็อธิษฐานฟังองค์ก็อธิษฐานฉันอาหารเจ <laughs> สมัยก่อนมันมันหายากอาหารเจมันต้องเจจริงๆคือฉันข้าวกับเกลืออย่างนี้กับน้ําตาลกับกล้วยอย่างนี้ ทุกวันนี้เจทุกวันนี้เขาประดิษฐ์ประดอยแต่ก่อนจะลำบากบางองค์ก็อธิษฐานเอาเนซซิไม่นอนกลางคืนบางองค์ก็อธิษฐานเอาไม่ไม่นอนกลางวันไม่พักกลางวันแต่พักกลางคืนพวกญาติโยมก็อธิษฐานใส่บาตรไม่ให้ขาด ถ้าขาดไม่ทันไส้บาตรจะงดอาหารอดอาหารไม่ทานข้าวอย่างนี้ก็มีพวกเม่ขาวไม่ยีบางบางบางคนก็อธิษฐานอธิษฐานไม่พูดนอกจากมีความจำเป็นอะไรก็จะพูดเฉพาะกับครูบาอาจารย์คืออันอันไหนที่ ที่ตนเองทําไม่ได้ต่อเนื่องอธิษฐานอย่าเป็นการทําความดีอันเนี้อันนี้นั่งสมาธิสวดมนต์อาทิตย์ละสองครั้งโอ้ยเอาน้อยเกินไปนี่คนนี่ <c oughs> มันต้องเอาทุกวันทุกวันทําอาหารให้พ่อและแม่ทานห น, นึ่งเดือน สองข้างโอ้ยมันน้อยเกินไปพูดจาชมเชยและให้กำลังใจบุคคลในครอบครัวและบุคคลรอบข้างเอาอันเนี้ยอธิษฐานว่าตั้งสัจจะไว้อธิษฐาน จะพยายามไม่โกรธอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าจะไม่โกรธนะการจะไม่โกรธเนี่ยมันทําได้ไม่ง่ายหรอกอธิษฐานข้าพเจ้าจะพยายามไม่โกรธจะไม่โกรธใครจะฆ่าความโกรธโกทางคัตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข แล้วก็อธิษฐานตรงต่อเวลาอันนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนอย่างครูบาอาจารย์ท่านอธิษฐานแหลจะจำวัดสี่ทุ่มจะตื่นเก้าทุ่มตีสามอย่างนี้ท่านก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้คือถ้าไม่ถึงสี่ทุ่มไม่จำวัดพอถึงเก้าทุ่มนาฬิกาปลุกก็ต้องลุกไม่ปล่อยให้มันล่วงเลยไป ก็เป็นความดีทั้งนั้นหละอันไหนมันจะเป็นความดีแต่กิเลสเนี่ยมันมันไม่อยากให้ทํมาวมากได้ต่ว่ายพระแค่อาทิตย์ละสองครั้งมันน้อย้องเอาว่าทุกวันทุกวันไม่ให้ขาดอย่างนั้น <c oughs> อ๋ออันนี้เป็น ก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกคือตั้งอธิษฐานแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามคำอธิษฐานหรือว่าอย่างว่าเอา้าเราไม่ได้ปฏิบัติสิ้นห้าไม่ครบอย่างสามเดือนนี่อ่เอาให้ครบตั้งใจปฏิบัติให้ครบก็ตั้งสัจจะอธิษฐาน ในใจของเรานั่นแหละหรือว่าอันไหนมันไม่ดีมันผิดข้ อ, อไหนมันไม่ดีก็อธิษฐานงดนั่นเดียวว่าอธิษฐานทำความดีทำกุศลคาว่ากุศลนี่ยท่านท่านบอกไว้ว่ากุศลกรรมมบทกุศลกรรมมบทสิบนี่มันจะรวมมันจะรวมคะแนตงต่างๆเข้ามา กุศลกรรมบทบสิบตั้งใจงดเว้นพวกลือีเนี่ยพวกวัมเพนลือศีเนี่ยจะสมทานกรรมบทบสิบเรียกว่ากุศลกรรมบทบสิบคือเว้นจากความทุจริตทางกายทำกายให้สุจริตทากายให้สุจริต กายมีกรรมสามกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามรวมเป็นกรรมโมบสิบถ้าทำให้สุจริตก็เป็นกุศลกรรมบทบสิบถ้าทุจริตก็เรียกเป็นอกุศลสิบกายกรรมสามเว้นทุจริตไม่ฆ่าไม่ทำลายชีวิตไม่ถือเอา สิ่งของของผู้อื่นด้วยการขโมยไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ความสุจริตทางกายอธิษฐานเอาอย่างนี้ก็ได้ความสุสจริตทางวาจาจะไม่กล่าวคําเท็จจะไม่กล่าวคําหยาบจะไม่กล่าวคำส่อเสียดยุยงอส่งเสริมให้ผู้อื่น เห็นผิดแตกแล้วสามัคคีจะไม่กล่าวคำที่ไม่มีประโยชน์คำที่ไม่เป็นประโยชน์สปละสัมรับเยเชอร์ท่านว่าคือคำสปละ ส, สปลักมันคำค ำ, คำกลับกรกคำพูดเล่นๆล่นประโยชน์ไม่ได้นี่เป็นเป็นวจี วิจิตรจริตเว้นจากทุจริตสาเว้นจากทุจริตสี 3, ่ ก, 4, ก็เป็นสุจริตสี่และทางจิตที่นี่อันนี้มันเป็นของยากเลยเรื่องของจิตเนี่ยมันมันบังคับยากเลยถ้าสติสมาธิไม่กล้าไม่ทันมันหรือไม่เข้าใจเหตุและผลโทษและคุณแล้วมันจะบังคับยาก มโนกรรมสามความทุจริตทางจิตละโมบโรคเนี่ยความโรคเกิดขึ้นเนี่ยต้องระวังให้รู้เท่าทันมันละโมบโรคอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนอันเนี้ก็ส่วนที่เป็นรูปประทรรับหยาบๆเพราะเช่นว่าเราไปเห็นสิ่งของของผู้อื่นมันเกิดความอยากได้เนี่ยมันกลัวเกิดความอยากได้มันโลค ก, ก็ต้องขโมยเอานี่ แต่ที่นี่อันนั้นอันนั้นมันออกมาทางกายทางกายกรรมถ้าการขโมยล่ะนีโรคยาวได้ล่ะถือเอาถือเอาให้เคลื่อนที่ไปมันออกมาทางกายแล้วทีอนนันในมนโนกรรมในท่านให้คมให้พไฟยาวมคมทางจิตเมื่อมันเกิดขึ้นก็ให้รู้โทษของมันไม่ให้มีความละโมบโรค พยายามคมมันไว้ถึงแม้มันมีก็ขมด้วยสติปัญญารู้เท่าทันไว้แล้วไม่ให้ไม่พยาบาทคมความพยาบาทเพราะถ้ามันโกรธมันจะพยาบาทอาฆาตจองเวรผูกเวร น, นี่มีสติปัญญาสอนใจไม่ให้พยาบาทคืออันไหนผ่านไปแล้วก็มันแล้วไปผ่านไปแล้วก็แล้ ว, ลวไป แล้วก็ทำความเห็นให้ตรงถ้ามันยังไม่ตรงเห็นว่าบาปมีบุญมีชั่วมีดีมีคือทำความเห็นให้ตรงให้เห็นว่าตามความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาจะพูดง่ายๆรวบรัดตัดตอนทำความเห็นให้ตรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็แปรปวนตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วไม่ใช่ เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่ทำกิจให้เป็นกุศลรกิจอันนี้รวมเรียกว่าเป็นกรรมบทสิบอธิษฐานเอาอย่างนี้ก็ได้เอาทั้งสิบอย่างหรือจะเอาสามอย่างทางกายหรือทั้งวาจาแต่ว่าอันไหนกิเลสมันชอบบายเบียงออกละ มันชอบทำสิ่งที่ไม่ดีมันชอบทำมันชอบอยากชอบทำเนี่ยเอาอันนั้นอ่ะอ น, นั่นเป็นการดีอันนี้เรียกว่าคมไว้ด้วยสัจจะและอธิษฐานเนาะสัจจะความจริงใจอธิษฐานตั้งไว้ในใจให้แน่วแน่เป็นการทำความดีในเทศกาลเข้าพรรษา <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนที่ มีความตั้งใจแล้วที่เขียนมาเนี่ยอาจารย์ดรท่านยืนให้หลวงตายินนาดูกรเป็นความดีความชอบแล้วก็ไม่มีอะไรละเขียนมาแล้วก็ตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติตัวตารักษาความตั้งใจของเราให้บริสุทธ เต็มที่ร้อยเปอร์เซนต์ได้ก็ยิ่งดีมันจะหจลุดจะขาดไปบ้างก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยอันนี้ไม่ได้หมายว่าบอกช่องไว้ให้กิเลสมันมันเล่นรอดออกนะ <c oughs> ให้ให้ใ ห, ให้ให้ตั้งใจว่าอย่างนั้น เพราะว่าบางคนถ้าตั้งใจแล้วถ้าเขียนอย่างนี้ที่นี่พอตนเองทำไม่ได้มันเกิดไปเผลอไปพังเผลอมันจะเกิดเป็นบาปอันหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกเนี่ยทำความเศร้าหมองทำความกังวลทำความกระวนกระวายเนี่ยมันมันมันกิเลสมันสร้างกิเลสซ่อนกิเลสถึงว่าบาปมันสร้างบาปซ้อนบาปขึ้นมา ก็กลายเป็นความกังวลเป็นความคิดที่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาในกิจของตอนเองเคยมีครั้งหนึ่งหลงตาไปวิเวกไปทุดงอยู่ที่ผู้หลวงอยู่ที่ผู้หลวงอยู่องค์เดียวที่นี่มันก็มีพวกเจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่า รักษาส ata, ัตว์ป่าอุปถากหรือนั่นและที่มีมีเด็กผู้ชายคนหนุ่มคนหนึ่งก็ไปกับหมูพอไปนี่เขามองดูเอ๊ะคนหนึ่งลักษณะมีทุกข์มีความทุกข์เพราะว่ามันมันเศร้าหมองดูลักษณะทางกายก็มีความเศร้าหมองทางจิตใจก็ไม่ อิมเอิบเบิกบานดูเป็นคนมีทุกข์ทางใจเขาไปหาวันวันที่หนึ่งก็ยังไม่พูดเลยวันที่สองเขาก็เลยไปอันนี่แหละไปพูดเรื่องเขาเรื่องเขาไปตั้งสัจจะอธิษฐานไอ้จ้างตั้งสัจจะอธิษฐานจะไม่จะไม่ดื่มเหล้า เรื่องเรื่องดื่มเหล้าเนี่ยเรื่องดื่มสุราเนี่ยได้ตั้งสัจจะอธิษฐานฐานกับพระแล้วที่นี่พอตั้งสัจจะอธิษฐานต่อมาก็ปฏิบัติไม่ได้พาไปเผลอไปดื่มดื่มสุราพอไปดื่มสุราก็มารู้ว่าตัวเองปฏิบัติไม่ได้จิตมันก็เกิดความกลัว กลัวบาปกลัวอะไรต่างๆล่ะในเมื่อทำไม่ได้ก็รู้ว่าตัวเองมีสัจจะตั้งสัจจะแล้วทำไม่ได้ก็เป็นความผิดของตัวเองจิตมันก็เลยคิดปรุงฟุ้งหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์นี่มีความกลัวความกลัวจะเป็นบาปยาว น, นั่นยาวนี่ จะเกิดโทษเกิดความไม่ดีอะไรแก่นตนเองก็ได้แต่คิดอยู่อย่างมันก็เลยเกิดความหมนหมอกหมนหมองเกิดความเศร้าหมองของจิตเมื่อจิตมีความเศร้าหมองมันก็ออกมาทางร่างกายเป็นเป็นความทุกข์ทั้งกายทั้งใจที่หลงตา ก, ก็เลยบอกอเรื่องการตั้งสัจจะนี่ มันก็เราเป็นผู้ตั้งเองในเวลาผิดเราก็เป็นผู้ผิดเองไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราผิดเราเป็นผู้ตั้งเองเราเป็นผู้ผิดเองในเมื่อเราตั้งใจว่าจะทำคุณงามความดีแล้วทำไปทำไปมันไม่ได้ตลอดรอดฝั่งมันผิดก็เป็นผู้ขาดสัจนะเอง ที่นี่ในเมื่อมันผิดแล้วแล้วก็ตั้งใหม่ได้นันผิดแล้วในช่วงนั้นเราตั้งแล้วมันทำไม่ได้ตลอดมันก็ผิดเมื่อมันผิดเรารู้ว่ามันผิดแล้วก็มาตั้งใหม่ได้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านมันหยัดให้พระสงฆ์สาวกในโทษเล็กๆน้อยๆอยบางอย่าง ถ้าผิดแล้วท่านก็ให้ประกาศต่อกันแล้วก็ว่าผิดแล้วก็ประกาศสั้งรวมระวังต่อไปเรียกว่าแสดงอาบัตหรือโลจนาบัตก็คือบอกความผิดความชั่วของตนเองต่อมูต่อเพื่อนแล้วที่นี่เราก็ตั้งใจทำไปอีกทำความดีไปอีกนั่นก็เท่านั้นมันก็ มันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมอะไรบาปก็บาปที่ผิดไปนั่นแหละก็ทำไม่ให้บาปได้ใหม่อีกก็ตั้งใหม่อธิษฐานใหม่ได้อีกพอพูดแนะนำอย่างเขาก็เข้าใจมีความเห็นเข้าใจโล่งใจพอวันที่สามมามามาถวายสิ่งของมาอุปถางมองดูตั้งแต่เดินมามันเหมือนกันกันกบ คือไอ้ออความเปลี่ยนแปลงของของ จ, จิตใจเรามองดูมันมีสีสันวันณนะมีสงา่าราศีเรียกว่าเปลี่ยนจากคนที่เศร้าหมองกลายเป็นคนที่มีความผ่องใสเบิกบานนี่มันมันเป็นได้ถึงขนาดนั้นนะเรื่องเรื่องของการตั้งสัจาธรรม เพราะฉะนั้นเราตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วก็ตั้งใจทำให้ให้ดีให้ได้แต่ถ้าเผือมันไม่ได้มันพังมันเผลอก็ให้ตั้งใหม่หตั้งใหม่คือไม่ให้ทิ้งไปเลยนะไม่ให้ทิ้งไปเลยตั้งใหม่ปฏิบัติต่อไปใหม่จนจนครบแต่ถ้าครบแล้ว ก็ตั้งต่อไปอีกก็ยิ่งดีไม่ใช่ดีแล้วก็ไปทิ้งมันก็เลยดีไม่ต่อเนื่องนี่า็จะให้ก็ให้เข้าใจอย่างนั้นนีน่ก็ข อ, อนนโมทนาด้วยที่มีเจตนาในการจะทำความดีอะไรต่างๆที่เขียนมาเนี่ยเป็นเรื่องความดีตั้งสัจจะทำความดี <c oughs> ไม่ทำอะไรอ่ะไม่ทำพิธีอะไรแล้นะรู้แล้วก็ประธานก็เก็บไว้ก็ไอ้คนไหนผิดก็ก็จี้แต่เออนี่ผิดแล้วนเนี่ยก็ลอนาบัดใหม่ก็อธิษฐานใหม่ต่อร <c oughs> ับพรนะ <c oughs> ยะถาวาริวหาปุลาปาริปเรติสากรม เอวเมวอิโตดินนาเปตานางอุปคัปติอิชิตังปทิตัทุมหังคิปเมวสมิสตุสเมผูเลนตุสังกัปาจันโนปนรสโสยถามณีโชติรสโสยถาสพิติโยวิวัจฉันตุสัมพโลโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีขายุโคภวะ อภิวาทนาสีริชนิจังวุฒาปัจญโยจันตโรธรรมาวันติอายุวนโนสุขังพรังภาวตุสพมังฆะลังลาคันตุสพเทวตาสภ พ, พุทธานุภาเวนะสพธรร ม, มานุภาเวนะสพสังฆานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเต <clears> Thank <throat> you.